นะปิยะสูตรว่าด้วยธทมที่ไม่เป็นไปเพื่อความรักณนะที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคทรงปรารบกาละกะภิกษุรับสั่งเรื่องภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหนึ่งภิกษุในธรรมวิในนี้ เป็นผู้ชอบกอกอธิกรณ์ไม่สันเสริญการระงับอธิกรณ์แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ชอบกอกอธิกรณ์ไม่สันเสริญการระงับอธิกรณ์นี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกันสองภิกษุไม่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาไม่สัเสริญการสมาทานการศึกษา แม้การที่ภิสษุไม่เป็นผู้ใคร่ต่อ ก, การศึกษาไม่สันเสริญการสมาทานการศึกษานี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 3. ภิสษุเป็นผู้ปรารถนาชั่วไม่สันเสริญการกำจัดความปรารถนาชั่วแม้การที่พิสษุเป็นผู้ปรารถนาชั่ว ไม่สนเสริญการกำจัดความปรารถนาชั่วนี้เป็นธรรมที igail, folded, ่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 4. ภิกษุเป็นผู้มักโกรธไม่สนเสริญการกำจัดความโกรธแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธไม่สนเสริญการกำจัดความโกรธนี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพ เพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 5. ภพิสษุเป็นผู้มักลบหลูไม่สันเสริญการกำจัดความลบหลูแม้การที่พิสษุเป็นผู้มักลบหลูไม่สันเสริญการกำจัดความลบหลูนี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. ภิกษุเป็นผู้มักโอ้อวดไม่สรรเสริญการกําจัดความโอ้อวดแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มักโอ้อวดไม่สรรเสริญการกําจัดความโอ้อวดนี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 7. ภิกษุเป็นผู้มีมายาไม่สรรเสริญการกําจัดมายา แม้การที่พิกษุเป็นผู้มีมายาไม่สนเสริญการกาจัดมายานี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเ <for aleg. S 2> พื่อความเป็นอันเดียวกัน8ภิกษุเป็นผู้ไม่พิจารณาธรรมไม่สนเสริญการพิจารณาธรรมแม้การที่พิกษุเป็นผู้ไม่พิจารณาธรรมไม่สนเสริญการพิจารณาธรรม นี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 9. ภิกษุเป็นผู้มีหลีกเร้นไม่สันเสริญการหลีกเร้นแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีหลีกเร้นไม่สันเสริญการหลีกเรนนี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะ เพื่อความเป็น <besteht S 1> อันเดียวกัน 10. ภิกษุไม่เป็นผู้ปฏิสันทารเพื่อนพรหมจรีไม่สันเสริญผู้ปฏิสันทารแม้การที่ภิกษุไม่เป็นผู้ปฏิสันทารเพื่อนพรหมจรีไม่สันเสริญผู้ปฏิสันทารา น, นี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพ <ott> ื <Mon. S 2> ่อความเป็น Att อันเดียวกัน ความปรารถนาพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนี้อย่างนี้ว่าทำอย่างไรเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะสักการะเคารพนับถือบูชาเราก็จริงถึงอย่างนั้นเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาเห็นบาปอากุศลธรรมที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย ปรีดเหมือนความปรารถนาเพิ่งเกิดขึ้นแก่ม้าโง่อย่างนี้ว่าทำอย่างไรมนุษย์ทั้งหลายจะตั้งเราไว้ในตำแหน่งม้าอาชาในให้กินอาหารสำหรับม้าอาชาในและปฏิบัติต่อเราเหมือนอย่างม้าอาชาในก้อจริงถึงอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่ตั้งม้านั้นไว้ในตำแหน่งม้าอาชาในไม่ให้กินอาหารสำหรับม้าอาชาในและไม่ปฏิบัติอย่างที่ปฏิบัติต่อม้าอาชาใน ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมนุษย์ผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาเห็นความโอ้อวดความโกงความไม่ซื่อตรงความคดที่ม้านั้นยังละไม่ได้ฉันใดความปรารถนาเพึ่งเกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนี้อย่างนี้ว่าทำอย่างไรเพื่อนโภมจารีทั้งหลายจะสักการะเคารพนับถือบูชาเราก็จริงถึงอย่างนั้นเพื่อนโภมจารีทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพ นับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเพื่อนโภมจารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาเห็นบาปอากุศลธรรมที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้ฉันนั้นว่าด้วยการไม่ก่ออธิกรณ์หนึ่งส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้ชอบก่ออธิกรณ์สรรเสริญการระ ง, งับอธิกรณ์แม้การที่ภิกษุไม่เป็นผู้ชอบก่ออธิกรณ์ สันเสริญการระงับอธิกรณ์นี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 2. ภิกษุเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาสันเสริญการสมาทานการศึกษาแม้การที่พิกษุเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาสันเสริญการสมาทานการศึกษานี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รัก เพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกันสามพิกษุเป็นผู้มักน้อยสันเสริญการกำจัดความปรารถนาแม้การที่พิกษุเป็นผู้มักน้อยสันเสริญการกำจัดความปรารถนานี้เป็นธรรมที่เป็นไปและถึงเพื่อความเป็น Hitler, อันเดียวกันสี่พิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธสรเสริญการกาจัดความโกรธ แม้การ hey, okay. ที่พิสษุเป็นผู้ไม่มักโกรธสันเสริญการกำจัดความโกรธนี้เป็นธรรมที่เป็นไปละถึงเ <mind. S 1> <Lane. S 2> พื่อความเป็นอันเดียวกัน4ภิสษุเป็นผู้ไม่ลบห <med>. ลู่สันเสริญการกำจัดความลบหลู่แม้การที่พิสษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่สันเสริญการกำจัดความลบหลู่นี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. ภิกษุเป็นผู้ไม่อโอด สันเสริญการกำจัดความโอ้อวดแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดสันเสริญการกำจัดความโอ้อวดนี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นอันเดียวกันเจภิกษุเป็นผู้ไม่มีมายาสันเสริญการกำจัดมายาแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีมายาสันเสริญการกำจัดมายานี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 8. ภิกษ sí ุเป็นผู <If> live, ้พ <If you live, S 1> ิจารณาธรรมสรนเสริญการพิจารณาธรรมแม้การที่ภิกษุเป็นผู้พิจารณาธรรมสรนเสริญการพิจารณาธรรมนี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 9. ภิกษุเป็นผู้หลีกเร้นสรนเสริญการหลีกเร้นแม้การที่ภิกษุเป็นผู้หลีกเร้นสรนเสริญการหลีกเร้นนี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นอันเดียวกัน สิภิกษุเป็นผู้ปฏิสันฐารเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายสันเสริญผู้ปฏิสันฐารแม้การที่พิกษุเป็นผู้ปฏิสันฐารสันเสริญผู้ปฏิสันฐา น, นี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณนะเพื่อความเป็นอันเดียวกันความปรารถนาจะไม่เกิดขึ้นแก่พิษุเช่นนี้อย่างนี้ว่า ทำอย่างไรเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะสักการะเคารพนับถือบูชาเราก็จริงถึงอย่างนั้นเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็ยังสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาเห็นบาปอากุศลธรรมที่ภิกษุนั้นละได้แล้วภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนความปรารถนาไม่เกิดขึ้นแก่มาอาชาในตัวเจริญอย่างนี้ว่าทำอย่างไรมนุษย์ทั้งหลายจะตั้งเราไว้ในตำแหน่งมาอาชาในให้เรากินอาหารสำหรับมาอาชาในและปฏิบัติต่อเราอย่างที่ปฏิบัติต่อมาอาชาในก็จริงถึงอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ตั้งมานั้นไว้ในตำแหน่งมาอาชาในให้กินอาหารสำหรับมาอาชาในและปฏิบัติอย่างที่ปฏิบัติต่อมาอาชาใน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 นับถือบูชาเราข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเพื่อนพรมมารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาเห็นบาปอากุศลธรรมที่ภิกษุนั้นละได้แล้วฉันนั้นนับปิยสูที่เจ็ดจบ โกสกะสูตรว่าด้วยโทษของการด่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดด่าบริภาพเพื่อนพรมจารีกล่าวโทษพระอริยเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะไม่ถึงความพินาศอย่างหนึ่งในสิบอย่างความพินาศสิบอย่างอะไรบ้างคือ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วส สัตธรรมย่อมไม่ผ่องแพ้วสี่มีความสำคัญว่าได้บรรลุสัตยธรรมห้าไม่ยินดีประพุทพระมรรจันหกต้องอาบัตเศร้าหมองกองใดกองหนึ่งเจ็ดเป็นโรคเรื้อรังแปดถึงความวิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่านเก้าหลงลืมสติมรณภาพสิบ หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายภิกษุใดด่าบริภาพเพิ่มโพรมจารีกล่าวโทษพระอริยะเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะไม่ถึงความพินาตอย่างหนึ่งในสิบอย่างอากโกสกสูตรที่8จบ โกกาลิกะสูตรว่าด้วยภิกษุชื่อว่าโกกาลิกะครั้งนั้นแหลโกกาลิกะภิกษุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรได้ยกราบทุนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วรู้อำนาจความปรารถนาชั่ว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 ทรงมีพระพุทธพจน์ที่ข้าพระองค์เชื่อถือได้ก็จริงถึงอย่างนั้นพระสารีบุตรและพระโมคลานะก็ยังเป็นผู้ปรารถนาชั่วลู้อำนาจความปรารถนาชั่วพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมคลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รัก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 โกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมคลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักครั้งนั้นโกกาลิกะภิกษุลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหลีกไปเมื่อโกกาลิกะภิกษุหลีกไปไม่นาน ร่างกายก็มีตุ่มขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเกิดขึ้นทั่วร่างตุ่มเหล่านั้นโตเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดแล้วก็โตเท่าเมล็ดถั่วเขียวโตเท่าเมล็ดถั่วดำโตเท่าเมล็ดพุทราโตเท่าเมล็ดกระเบาโตเท่าผลมะขามป้อมโตเท่าผลมะตูมอ่อนโตเท่าผลมะตูมแก่แล้วก็แตกเยิม้มหนองและเลือดลังไหลออกมาได้ทราบว่า โกกาลิกะภิกษุนั้นนอนบนใบตองเหมือนปลากินยาพิษครั้งนั้นแหลตุทิปเจ ก, กพรหมเข้าไปหาโกกาลิกะภิกษุถึงที่อยู่ยืนอยู่กลางอากาศกล่าวกับโกกาลิกะภิกษุว่าท่านโกกาลิกะท่านจงทำจิตให้เลื่อมใสในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเถิดเพราะท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รัก โกกาลิกะภิกษุถามว่าผู้มีอายุท่านเป็นใครตุทิปัจเจกพรหมตอบว่าเราเป็นตุทิปัจเจกพรหมโกกาลิกะภิกษุถามว่าผู้มีอายุท่านได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นอนาคามีแล้วมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นชไหนท่านจึงมาที่นี้อีกท่านจงเห็นว่าความผิดนี้ของท่านมีอยู่เถิด ลำดับนั้นตุที่ปัจเจ ก, กพรมจึงได้กล่าวกับโกกาลิกะภิกษุด้วยคาถาว่าพรุสวาจาคําหยาเป็นเหมือนผึ่งเครื่องตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคําชั่วย่อมเกิดที่ปากของคนพาลผู้ใดสรนเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรนเสริญผู้นั้นชื่อว่าสังสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้น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 โกกาลิกะภิกษุได้มรณภาพด้วยอ า, าพาธนั่นเองแล้วไปเกิดในปทุมนรรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคลานะครั้นปฐมยามผ่านไปแล้วเท้าสหมบดีพรมมีวันณงามยิ่งทำพระเชตวันวิหารทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิษุมรณภาพแล้วไปเกิดในปทุมนรกเพราะมีจิตผูกอาคาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าค่าครั้นเท้าสัมปดีพรมกราบทูลดังนี้แล้วถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นันเอง ครั้นราตรีนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกพิสุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคืนนี้เมื่อปฐมยามผ่านไปแล้วเท้าสามบดีพรมมีวั น, นงามยิ่งทําพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรเรียกกล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โกกลิกะภิกษุมรณภาพแล้วไปเกิดในปุถุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคลานะพิษุทั้งหลายครั้นเท้าสามบดีพรมกล่าวดังนี้แล้วไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั่นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ประมาณอายุในปทุมมณรกนานเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุประมาณอายุในปทุมมณรกนานนักประมาณอายุในปทุมมณรกนั้นยากที่จะนับได้ว่าประมาณเท่านี้ปีประมาณร้อยปีเท่านี้ประมาณพันปีเท่านี้ประมาณแสนปีเท่านี้ภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์พอจะยกอุปมาได้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าได้ภิกษุแล้วตรัสว่าภิกษุหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20่สิบขารีล่วงไปแล้วหนึ่งแสปีบุรุษจึงนําเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้นหนึ่งเมล็ดเมล็ดงานหนึ่งเกวียนของชาวโกศนซึ่งมีอัตรา20่ขารีนั้น จะพึงหมดไปโดยทำนองนี้เร็วกวา่าแต่ว่าหนึ่งอพุฑนรกหาหมดไปไม่20สอพุฑนรกเป็นหนึ่งนิรภุฑนรก20บนิรภุฑนรกเป็นหนึ่งอภพอัพพนนานรก20สิอภพัพพานรกเป็นหนึ่งอุหนรก20อุหนรกเป็นหนึ่งอัตตนรก20อัตตนรกเป็นหนึ่ง ขุมุทธนรก20ขุมุทธนรกเป็น1โสคันธิกะนรก20โสคันทิกะนรกเป็นหนึ่งอุปละนรก20อุปละนรกเป็น1นปุนธริกะนรก20บปุนธริกะนรกเป็น1นึปทุมะนรกภิกษุโกกาลิกะพิกษุไปเกิดในปทุมะนรก เพราะมีจิตผูกอาฆาตในสารีบุตรและโมคลานะพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาคันตรัสเวยกรพาศิทนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพรรุสวาจะเป็นเหมือนผึ่งเครื่องตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดที่ปากของคนพาลผู้ใดสันเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรเสริญผู้นั้นชื่อว่า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 กับอีกหอภุธกะโกกาลิกะสูที่9จบ<ะ> 10. ขีณาสวะภละสูตรว่าด้วยกำลังของพระขีณาสกครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัธถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรภิกษุขีณาศพมีกําลังเท่าไหร่จึงปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วท่านพระสารีบุตรกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 เป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีนาศที่ภิกษุขีนาศอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว 2. องกรรมทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีนาศเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแม้ข้อที่กรรมทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีนาศเห็นว่า เปรียบด้วยหลุมทานเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของภิกสุขีนาศที่พิกสุขีนาศอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว 3. จิตของภิกสุขีนาศเป็นธรรมชาติโน้มไปโน้มไปโอนไปตั้งอยู่ในวิเวกยินดียิ่งในเนคขมะ ปราศจากเงืรรองงองง่อนธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงแม้ข้อที่จิตของพิกษุขีนาศเป็นธรรมชาติโน้มไปโน้มไปโอนไปตั้งอยู่ในวิเวกยินดียิ่งในเนกคัมมะปราศจากเงื่อนธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงนี้โคเป็นกำลังของพิกษุขีนาศที่พิกษุขีนาศอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่า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 สามั MM ER ปทาน4เป็นธรรมที่ภิกษุคีนาศพเจริญอรบรมดีแล้วละถึง 6. อิทิบาสีเป็นธรรมที่ภิกษุคีนาศพเจริญอบรมดีแล้ว 7. อินทรีย์าเป็นธรรมที่ภิกษุคีนาศพเจริญอบรมดีแล้ว 8. ปภละหเป็นธรรมที่ภิกษุคีนาศพเจริญอกกบรมดีแล้ว 9. กพ่อชงเจ็ เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้ว 10. บมักมีองค์8เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่มักมีองค์8เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาศพที่ภิกษุขีณาศพอาศัยปฏิญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิสษุขีนาศพมีกำลังสิบประการนี้แลจึงปฏิญญาความสิ้นอาสะวะทั้งหลายว่าอาสะวะของเราสิ้นแล้วขีนาสะวะพระสูตรที่สิบจบเทระวัคที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ว่าหุนสูตร 2. อานันทสูตร 3. ปุญญสูตร 4. พยากรณสูตร 5. กาปฏิสูตร 6. อธิมานสูตร 7. นปิยะสูตร 8. อโกสกะสูตร 9. โกกาลิกะสูตร 10. คีนาสวะพละสูตร บาสกาวัคหมวดว่าด้วยอุบาสก 1. การมโภคีสูตรว่าด้วยกามโภคีบุคคลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณกะฆาบดีเขครุงสาวัติครั้งนั้นแหลอนาถบิณกะฆาบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาทะเบนิกาข้าพดีดังนี้ว่าข้าพดีกามรมโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกกามรมโภคีบุคคลสิบจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งกามรมโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโพคทรัพย์โดยไม่ชอบทำด้วยการงานที่ผิดครั้นสแสวงหาได้แล้ว ไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 2. การมัพโคลีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภกทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 3. การมโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภกทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิด ครันสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทําบุญ 4. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภกทระซย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นสแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทําบุญ 5. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภกรทรับทั้งโดยชอบทำและไม่ชอบทำด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญหกการมโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภกรทรับทั้งโดยชอบทำและไม่ชอบทำด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญ เการมพัพโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทร e ัพย e ์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 8. การมพัพโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทร e ัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ เกาการมโภรคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโพกซับโดยชอบทำด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญแต่เป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจอ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโพกซับเหล่านั้น 10. กามรมโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ สแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่มกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภกทรัพย์เหล่านั้นบรรดากามพภคีบุคคลสิบจำพวกนั้นกามโภะคีบุคคลที่สแสวงหาพภกทรัพย์โดยไม่ชอบรมด้วยการงานที่ผิด ครั้นสแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรติเตียนโดยสามสถานคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าสแสวงหาโภกรัพับโดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สามนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญข้าพเดี กามโพคีบุคคล น, นี้ควรติเตียนโดยสามสถานนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโพกซัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรติเตียนโดยสองสถานควรสันเสริญโดยสถานเดียวคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าแสวงหาโพกซัพย์โดยไม่ชอบธรรม ด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ว่าบำรงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญขหาดีกามพโคคีบุคคล น, นี้ควรติเตียนโดยสองสถานนี้แต่ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้กามพโคคีบุคคลที่สแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิด ครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทําบุญนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรนเสริญโดยสองสถานคือควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าแสวงหาโภกทรัพย์โดยไม่ชอบธรมด้วยการงานที่ผิดควรสรนเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรนเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าแจกจ่ายทําบุญ บดีกามโภโคีบุคคล น, นี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ควรสันเสริญโดยสองสถานนี้กามโภโคีบุคคลที่สแสวงหาโภกทรัพทั้งโดยชอบทำและไม่ชอบทำด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นสแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสันเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสามสถาน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 กามัพโคคีบุคคล น, นี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ควรติเตียนโดยสมสถานนี้กามัพโคคีบุคคลที่สแสวงหาโภ้กรัพย์ทั้งโดยชอบทำและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสองสถาน คือควรสันเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าสแสวงหาโภกทระซั บ, บโดยชอบธรำด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าสแสวงหาโภกทระซับโดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสันเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าบำ ร, รุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญข่าบาดี กามัพโคีบุคคล น, นี้ควรสันเสริญโดยสองสถานี้ควรติเตียนโดยสองสถานี้กามโพคีบุคคลที่สแสวงหาโพคซั์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นสแสวงหาได้แล้วบำรงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญนี้ควรสันเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยสถานเดียว ค, ควรสันเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าสแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสันเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสันเสริญโดยสถานที่สามนี้ว่าแ х, จกจ่ายทำบุญข้าบดี การมโพคีบุคคลผู้บริโภคกามาคุณ น, นี้ควรสันเสริญโดยสามสถานนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้การมโพคีบุคคลที่สแสวงหาโภกทรัพย์โดยชอบทำด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสันเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสรเสริญโดยสถานเดียวนี้ว่า สแสวงหาโพกซัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทําบุญข้บดีกามัพโควีบุคคล น, นี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ควรติเตียนโดยสองสถานนี้กามโภคีบุคคลที่สแสวงหาโพกซัพย์โดยชอบธรรม ด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสถานเดียวคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าสแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบทำด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่ ส, สองนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่า ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญข้าบดีกามโคีบุคคล น, นี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้กามโคีบุคคลที่สแสวงหาโภคซั์โดยชอบทมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจอ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก ใช้สอยโภกทรพซัเหล่านั้นนี้ควรสันเ e สริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยสถานเดียวคือควรสันเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าแสวงหาโภกทรพซั์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสันเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสันเสริญโดยสถานที่สามนี้ว่าแจกจ่ายทำบุญควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่า เป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจอ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภกทรัพเหล่านั้นข้าพดีกรามภคีบุคคล น, นี้ควรสรเสริญโดยสามสถานนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้กามภคีบุคคลที่สแสวงหาโภกทรัพโดยชอบรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญ ทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยพวกทระซั์เหล่านั้นนี้ควรสรรเสริญโดยสี่สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าสแสวงหาพวกทระซั์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรเสริญโดยสถานที่สามนี้ว่าแจกจ่ายทำบุญ ควรสรรเสริญโดยสถานที่สี่นี้ว่าไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโพกซัพย์เหล่านั้นข้าพดีกามโภคีบุคคล น, นี้ควรสรรเสริญโดยสี่สถานนี้ข้าพดีกามโภคีบุคคลสิบจัมพูกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดากามโภคีบุคคลสิบจัมพูกนี้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 นมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสชาวโลกเรียกว่าเลิศ ก, กว่านมส้มเป็นต้นเหล่านั้นฉันใดบรรดากามะโพคีบุคคลสิบจำพวกนี้กามโภคีบุคคลที่สแสวงหาโพคซั์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุข และแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโพกซั์เหล่านั้นนี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นหัวหน้าสูงส่งลำเลิศชั้นนั้นเหมือนกันการมโภคีสูตรที่หนึ่งจบ